ขอความุูกความจเจริญยู่งมีแต่ท่านผู้ฝังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ก็จะพูดเรื่องเจโตขีละสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยตะปูรจริงจิตสืบต่อจากที่ได้กล่าวไว้มาโดยลำดับ ในตปูจงกิจเนี่ยงแสดงเป็นสองช่วงช่วงแรกเป็นอาการของความเครียบแคลงสงสัยกับโทสะที่แสดงออกมาต่อพระพุทธเจา้ากระทำประสงค์แล้วก็ใจสิกขาและโทสะก็แสดงแก่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับตนในขณะเดียวกันก็ส่งแสดง เรื่องผูกพันใจไว้อีกห้าประการก็หมายความว่าคนทุกคนน่ะก็มีอาการเหล่านี้อยู่ภายในใจถึงแต่ใใมากหรือน้อยก็เป็นรายละเอียดก็ทำให้พฤติกรรมของคนเราแตกต่างกันออกไปอาการทั้งหมดในห้าข้อนี่มันเป็นอาการของราคะ เหการของโพภะแล้วก็สแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆนั้นก็คือความกำหนัดระคายพอใจในกามและในกายตัวเองและในรูปก็ปสิ่งที่สัมผัสจากข้างนอกและในขณะเดียวกันก็พอใจสยบติดกำหนัดเพลิดเพลิอนอยู่ใน ความสุขที่เกิดขึ้นจากการนอนหลับเอจนถึงกับค่อนข้างประณีตคือทำความดีทั้งหลายพูดง่ายๆว่าทำบุญทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องการจะบังเกิดเป็นเทพระบุตรมีสาวสารกำนันในเป็นบริวารบปลือตัวเองอยู่เป็นเอ็นมาก แต่ขอนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดขึ้นเพราะว่าทรงสอนที่ภิกษุเป็นฐานภิกษุนั้นทรงมุ่งเน้นที่จะให้เ้าไปถึงขั้นกระแสของนิพพานเพราะว่าจาับใดที่ยังไม่ถึงนิพพานเนี่ยคติมันไม่แน่ คนเราแม้ขนาดเป็นอรูปภพรมแล้วก็โอกาสจะตกนรกมันก็มีได้เือนคนที่แน่ที่สุด ก, ก็คื อ, ต, อตั้งแต่ประสดต บ, บัณขึ้นไปงนั้นเราจะพบว่าคำสอนแนวนี้จะสอนคารวาสชนใหญ่พูดง่ายว่าผู้สนมันสองระดับระดับหนึ่งเขาเรียกว่าวัตถกามีผุศสน กุศลเป็นระดับตกแต่งวกชาติของคนให้ประนีดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงนั่นแหละจนถึงอรูปะชาญแเลยพวกนี้ยังถือวัตยาไมีกุศลทั้งหมดกุศลนีกระดับหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าวิวัตถกาไมีกุศลมันก็เริ่มต้นที่โสดาบันขึ้นไปหมายความว่าสลัดหลุดจากวัตถะ ก็จะทุกเพราะว่ามุ่งไปที่การทําลายกิเลสทําลายกรรมแล้วก็ทําลายวิบากแต่ว่าสิ่งที่ต้องทําลายจริงๆก็คือกิเลสเมื่อกิเลสดับกรรมก็ดับวิบากก็ดับเพราะทนองคล้ายๆกับตัดศีรษะงูตัวหนึ่งเนี่ยทั้งตัวมันก็ได้ในกิเลสหรือธรรมะจริงมันก็มีกระบวนการอย่างนั้น่ แต่ทีนี้บางทีนเราไปติดในตัวเลขติดในจำนวนอะไรมากเกินไปเคยอ่านคำนำหนังสือโนอกโกวาดของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมยาวิชยานโรรสซึ่งทรงนิพน์เพื่อเป็นหลักสูตรสอนพระบทใหม่ก็ประกอบเล่มหนังสือแปดสิหน้าแล้วก็เรียนกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย คือคิดว่าหนังสือในพระพุทธศาสนาในเล่มนี้จะพิมพ์มากที่สุดปัจจุบันี้คงจะเป็นล้านแล้วมั้งะมานานหลือเกินะล้าในการต่อมาก็มีการปรับไปเพิ่มตัวบาลีอะไรอะไรเข้าไปขา้างหน้าเดิมทีเดียวทรงนิพน์เนี่ยไม่ใช่บาลีต้องการจะพูดกันด้วยภาษาง่ายๆธรรมดาธรรมดาให้พอเข้าใจกันได้ แต่ลูกศิษย์กหาในการต่อมาคือต้องการจะรู้ละเอียดพิษดานขึ้นหรือคนก่นคนแก่ท่านมาติดในสั์บาลีอยู่ันสามารถคิดจากสับบาลีได้ง่ายกว่าภาษาไทยนี่คือเรื่องจริงอ่ะแก้คนก็เก่งภาษาอังกฤษคือเพราะคนบางคนเช่นคุณอะไรล่ะประมาณไม่ใช่ประมาณที่คุณบองพนอะได้เ็กสาร แต่ข้าที่เขาเรียนอยู่เมืองนอกนานเนี่ยก็ใช้ภาษาไทยไม่เก่งเพราะเขาเวลาเขียนหนังสือนี้เขเขียนแังกฤษก่อนแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยทีหลังเพราะในเวทวงศาสนานี้คคำบางคำถ้าเราดูจากบาลีแล้วเราจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะเวลาแปลเนี่ยเรียกว่าความมันเราคือไม่หนักแน่นพอ แตคล้ายๆกับเราแปลว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนเนี่ยแปลแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องการที่เกิดสับสนมันก็มีได้ง่ายแต่ถ้าเราไปดูที่บาลีเนี่ยท่านจะอธิบายแล้วก็ส่งจำแนกแสดงไว้ในโดยนิย่าต่างๆในที่ต่างๆเนี่ยไม่ตรงกันหรือรส่งแสดงนิย่าหนึ่งนิย่าหนึ่ง เพราเราก็จับทุกหนยาเนี่ยมาไว้ในจิตเด็ด ก, กันแล้วก็ทำให้เข้าใจกรอบของเรามอนัตตาเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นระดับของปริยัตินะฮะระดับของปฏิบัติต่มันต้องดับกิเลสได้่ะดับกิเลสไม่ได้ก็ยังไม่ถือว่าบรรลุผลที่เราต้องการนี่อย่างที่บอกว่าแนวพระสูตรที่เราผ่านมา โดยการแสดงของพระโมคคัลลานะในอนุมานสูตรแล้วก็ตลอดถึงตอนที่ภาษาดิบุแสดงนะนจะมีลักษณะอย่างเดียวกันสมาธิิ เ, เขาเรียกว่าธรรมทายาตสูตรก็แสดงทั้งด้านบวกกันลบวันพระเจ้าก็มาสรุปไว้ในตอนต่อไปว่า ลูกกรพิสูจนทั้งหลายพิสูรรูปใดรูปหนึ่งละตะปูตรึงใจห้าประการเสียได้ผอเครื่องผูกพันใจห้าประการเสียได้พิสูจนั้นจกถึงความเจริญ ง, งอกงามไพ่บูรในธรรมินาย น, นี้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้หมายความว่าเรื่องเนี้ยมันมีสองอย่างด้วยกันไม่ได้หมายความว่าตราดใดที่ใจยังถูกตะปูตรึงเอาไว้เนี่ยคุณจะกล้าไปข้างหน้าไม่ได้ คุณจะกล้าไปข้างหน้าได้คุณก็ต้องถอนระปูตรุงใจออกสิก่อนมันใกล้ๆก็ทุกขสุขหรือมันอยู่ด้วยกันไม่ได้กิเลสกับธรรมะไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้หรือแม้แต่าทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยเราก็ไปด้วยกันไม่ได้ไปซ้ายก็ไม่ต้องไปขวาไปขวาก็ไม่ต้องไปซ้ายเลือกเราเองพราะตะปูตรุงจิตแต่และข้อเนี่ยจริงๆถ้าเราถอนได้นะแล้วก็ถอนได้หมดน่นแหละ สมมติว่าเราปฏิบัติจนสัมผัสพระพุทธคุณได้มีปัญญาสามารถบริหารตัวเองได้ก็แสดงว่าใจบริสุทธิ์จากโลภะโทสะโมหะลงมากทีเดียววันโอกาสที่เราจะโกรธเนี่ยโกรธต่อขึ้นสัรพมจฉารีความโกรธไม่มีพลังพอที่จะโกรธเห็นไหม ศรัทธาเริ่มใสในพระธรรมประสงค์เลยทีขาก็จะตามมาเพราะว่าพวกนี้เขายึดโยงอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่เราก็จัดความเรครือแ่างสงสัยในพระเจ้าได้ยังอื่นมันก็ล้มรละเน่อห น, น้าตไปเราก็เกิดศรัทธาเชื่อมัน่นแล้วก็เหมือนได้อะเหมือนเราเชื่อพ่อแม่ มันเป็นเห้เราเชื่อปุยาตายายหลวงป้านาอาไปเป็นแถวไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าปุยาตายายก็คือพ่อของพ่อพ่อแม่ของพ่อแม่เราลวงป้าน้าอาก็คือพี่น้องของพ่อแม่เราแต่เราถึงวงศา ก, กั น, นญาติทั้งหลายก็ญาติของพ่อแม่เราและแน่นอนในรายละเอียด เรื àn, ân, i, và, been, h, ่องของคนก็ต้องควรพิจารากันหน่อยแต่ว่าเรื่องบรัชตน์ไรเนี่ยข้อสําคัญเราให้เริ่มได้เริ่มที่เราพระเจ้าก็ได้ประธรรมก็ได้พระสงฆ์ก็ได้เตจิขาก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่พวกความโกรธมันก็จะค่อยบรรเทาสงบลงไปเองในข้อต่อไปก็รักษั่งว่า ตะปูจะดึงใจห้าประการชื่อว่าอันภิกษุนั้นละได้แล้วเป็นเชนไหนลูกคนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมินาย น, นี้ไม่สงสัยไม่เครือบแคลงกลงใจเชื่อเรื่องใส เ, เอาไปเอารวดไปเลยนะฮะเอารวดไปทั้งสี่ข้อเลยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิกขา ที่การศรัทธาเริ่มใสในพุทธจ้าเนี่ยคือถ้าเรามองโดยสรุปเราก็จับแค่พระพุทธคุณสามข้อให้ได้มานึกถึงว่าพระเจ้านั้นมีปัญญาคุณจินไหมแล้วก็คิดหาคำตอบให้แก่ตัวเองน่อนเราอาจจะมองจากพุทธประวัติเราก็จะเห็นความแหลมคมในด้านสติปัญญาของพระองค์ รามองที่ศาสนธรรมยิ่งใหญ่มากและธรรมยิ่งใหญ่มา ก, ารรมมากๆเพราะว่ามันเป็นสัจธรรมจริงๆไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเลยแม้แต่ข้อเดียววินัยยังเปลี่ยนนะวินัยยังเปลี่ยนเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนอย่เช่นสมมติว่าวินัยของพระที่เกี่ยวกับภิกษุณีเนี่ยมันก็เลิกไปโดยปริยายเพราะว่าไม่มีภิกษุณีที่เราจะต้องปฏิบัติด้วย ลตลอดทป็นอะไรล่ะบวกคนจงคนเกียร์อะไรต่างๆที่เอามาทําอาสนะอะไรตไรเราผ่านยุคนั้นมาแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทำเรื่องล่านั้นมีคนซื้อมาถวายเยอะถวายอาสนะทั้งหลายเนี่ยแล้ววิญญาณธรรมะนี่เขาไม่เปลี่ยนอะไรที่ส่งสอนว่าทุกข์ก็ทุกข์จริงอ่ะก็ไม่เคยเป็นสุข ทรงสอนสภาวะทุกข์ไว้สามข้อเกิดแก่ตายตัวความเกิดนะตัวความเกิดตัวความแก่ตัวความตายทนระงสอนเ่าเป็นทุกข์เมื่อไหรเมื่อไรมันก็เป็นทุกข์แต่เราต้องเข้าใจคำว่าทุกข์นะคือทุกข์ในความหมายเนี่ยหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วก็ คงอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันจะเลื่อนไหลก็สู่ความเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยหรือจะถูกแผดเผาด้วยปัจจัยภายในบ้างภายนอกบ้างก่อให้เกิดความร้านร้อนด้วยประการต่างๆแล้วก็เป็นความทุกข์ที่เราต้องสูญก่อให้เกิดทุกข์แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยกิเลสทั้งหลายปัญหาเนี่ย คือยังยังนึกถึงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รับสั่งเมื่อวันที่25 25เมษายนมาจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมข้ามาแล้วก็ออยังมีการถกเถียงมีการวิพากวิจาการจากคนทั้งหลายซึ่งแน่นอนว่ามันไปผูกโยงอยู่กับพระราชบัญญัติด้วยพระราชดำรัสด้ดย พุ่โยงเยูกับรัฐธรรมนูนแแสดงก็เห็นว่าความจำนึกเห็นโทษของการทะเลาะวิวาทกันจนบ้านเมืองมันรวนเรไปหมดเนี่ยแล้วพวกก่อม็อบก็ยังก่ออยู่เรื่อยอ้างอย่างโน้นอย่าง น, น, างนี้อย่างนั้นทำเหมือนกระชาติบ้านเมืองของตัวเองเขาคนกลุ่มเล็กๆอยู่นั้น นันคือคืออะไรคือมันแสดงว่าความสำนึกที่แย่ออกม า, มากทำไมไม่ปล่อยกระบวนการเขาไปตามกระบวนการเราอยู่เฉยๆไม่ได้เลยเราไม่มีอำนาจไม่มีหนา้าที่ไม่มีตาแหน่งที่จะไปที่ภาคสาวินิจัยข้อกฎหมายมันเป็นกระบวนการที่ที่ทำก็ปล่อยกระบวนการที่ทำรับงานไป ว่ายังไงก็ต้องมีข้อยุติแหละเพราะว่าระดับศาลปกครองสูงสุดระดับสารรัฐมนูลระดับสารฎีกามันไม่มีที่ไปแล้วมันจบที่นั่นแหละอะยุติทำกันอยู่ตรงนั้นมันต้องยุติแหละแสดงเราไม่เขารูกฎเกณฑ์หรือบงทีเราก็แสดงความไม่รู้ เช่นว่านายกรัฐดีรักษาการรักษาการรองนายกรัฐรักษาการนั้นลการนี้แลฐธรรมนูนนี้ไม่มีรักษาการหรือแม้แต่คำว่าโมฆะเนี่ยมันมีในกฎหมายแพ่งมันไม่ได้มีในกฎหมายอาญาไม่มีในกฎมารัฐในรัฐธรรมนูนแล้วเราก็อะไรก็ไม่รู้มันแสดงถึง อาการ อ, รอาการของโมหะอาการกโร็าการโภศอาการก็โลภะอาการริษยาอาการก็การแข็งเดียาการการเบียดเบียนแล้วมันก็เถื่อนชาติบ้านเมืองมันก็เถื่อนสังคมมันก็เถื่อนแล้ววันที่จะครบรอบหกสิบพรรษา แต่การถวยราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่๙มิถุนายนมันก็ใกล้เข้ามารอมรอแล้วน่าจะคิดถึงเรื่องนั้นไม่มีใครพูดหละชอบคนไอ้ตัวตัวแกนแกนใหญ่เนีไม่เคยพูดยังนึกถึงว่าท่านนายกเนี่ยท่านพูดท่านปรารบท่านมิตกกังวลเรื่องนี้มากจะต้องการให้ให้ช่วงตดนั้นมันสวยงาม มีนายกพงทีที่สมบูรณ์มีรัฐภาที่สมบูรณ์อะไรที่สมบูรณ์ถ้าเราลดละความต่อสู้กันการแข่งขันกันแล้วเพื่อผ่านปีหมามงคนนี้ไปวันนี้บ้านเมืองเราเรียบร้อยไปเยอะเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นมาแก้ปัญหาน้ํามันกันดีกว่ า, าประหยัดน้ํามันกันดีกว่า แต่เราก็นี่แหละเห็นว่าปัญหาวุ่นวายทั้งหมดมันก็คือเป็นทุกข์อ่ะแต่ถามมาจากอะไรก็มาจากสมุทัยไงก็สแสดงว่าสมุทัยเขายังเป็นสมุทัยอยู่ทั้งแหละไม่เคยเปลี่ยนเปนอย่างอื่นทีนี้ถ้าเราหันเข้าสู่มรรคสัต์เนี่ยเอาเฉพาะสัมมาสังกัปะคําคเดียวความรับผิชอบคําเดียวจบ มอามเห็นก็ชอบการพู้ก็ชอบการการประพฤติ ก, ก็ชอบการเลี้ยงชีพก็ชอบจะไปเป็นแถวไปเลยนี่คือคือความเป็นสัจธรรมมันทำให้เราไปเห็นปัญญาของเราพุทธเจ้าสอนได้ยังไงคำสอนก็รื่นล้าสมัยไปเยอะแล้วจะคองพุทธเจ้ากลับเป็นอาการลิโกได้แล้วก็ส่งเราจะเห็นว่า ทุกอย่างคำสอนทุกอย่างมันแสดงว่าภายในพระไตรปิิ์ไม่ต้องการอะไรเพื่อพระองค์ยังศาสนาที่มีพระเจ้ามีพระบุตรมีพระอะไรเนี่ยจะเห็นว่ามันมีโลภะมันมีโทสะมันมีโมหะอะไรสู่เจ้าทั้งหลายจงเชี่ยวปในโลกทั้งปวงทั้งสิ้นจงนำคนทั้งหลายให้มารู้จักเรา จงนำคนทั้งหลายมาเคารพนับถือเราจงนำคนทั้งหลายให้มาบำรุงบำรือเราคีออะไรทำไมเราต้องการคนเคารพนับถือมากขนาดนั้นทำไมไม่สร้างเราเองล่ะได้่จะเห็นเลยว่าเกิดมันเกิดสับสนแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่ตอนปฏินิพพา น, นไม่ปรพลอะไรถึงพระองค์แม้แต่การถวายรพระเพลิ ง, งพระจุลสรีระเนี่ พระนนน์หาวิธีกราบทูลถามเพื่อให้ต้องตอบถามครั้งแรกไม่ตอบเป็นเรื่องชาวบ้านพระไม่เกี่ยวพระนน์บอกเผื่อชาวบ้านเขาถามพระองค์จะได้ตอบถูกว่าการปฏิ บ, ตบัติต่อพระพุทธเจระเนี่ยเขาปฏิบัติกันอย่างไงเลยเป็นการถูกต้องหรือก็ต้องอธิบายพระนน์ท่านมีวิธีถามเพื่อให้ต้องตอบ พระสูก็ตอบคือไม่ใช่ปราลบเพื่อพระองค์เพราะพระองค์ไม่มีสังขารอะไรจะเป็นแบกแสิ่งเหล่านี้ก็สอบเทวทาตุนะนเี่แล้พุทธะลำับครั้งสุดท้ายที่ว่าทุกกรพิสูจ์ทั้งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทําประโยชน์จงทําความไม่ประมาทให้สมบูรณ์ เคยดํารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาณรเราเห็นว่าเป็นการสอนเรื่องสภาวธรรมที่มีอยู่ธรรมชาติธรรมดาในขณะเดียวกันก็ส่งสอนเรื่องมรรคปฏิปทาที่จะนําไปสู่การสลัดออกจากความทุกข์คือเกิดแก่ตายของของคนอื่นไม่ใช่ของพระองค์พระองค์นั้นเรียบร้อยไปนานแล้วันนี้คือกรุณาแท้แท้ เป็นคําสอนที่เกิดขึ้นจากกิรณาทแท้เพราะฉนั้นพระพุทธคุณเนี่ยออกมาคิดเนะี่ยอย่างดีเคยยกตัวอย่างว่าแนวอนุสติที่ท่านสอนเนี่ยคือหนึ่งเราเอามาสวดสาธยายก็เป็นกายสุจริตเป็นวิจิสุจริตเป็นมโนสุจริตอยู่ระดับหนึ่งนะการไาม่พระศพนุ่นเนี่ยทีนี้ถ้าเรามาภาวนาจิตมันนิ่งจิตมันสงบมันจับอยู่ที่ประพุทธคุ ณ, คณ เราก็เข้าไปถึงสมาธิเข้าไปถึงฌานได้ทีนี้ถเรามาเราคิดมาพิจารณาก็จะเกิดปัญญาเกิดศรัทธาเกิดประสานธาเกิดวิริยาเกิดสันทาะอะไรต่าะตะงอีกเป็นนั้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเกิดอุตสาหะที่จะสัมผัสให้ลึกกว่านั้นให้มองเห็นพระพุทธคุณภายในจิตเราเห็นปัญญาเห็นบริสุทธิ์เห็นกรุณาภายในจิตเรา แล้วก็มาถึงจ pues ุดหนึ่งก็ทําตัวผสมกลมกลืนกับพระพุทธคุณและสิ่งนั้นอ่ะที่จริงมันคือพระธรรมพระธรมให้เราทราบซึ่งดื่มด่าในตัวองค์ธรรมและเกิดศรัทธามั่นคงในพระสงฆ์ซึ่งท่านได้ทำมาได้โดยเฉพาะท่านที่บัติปฏิบัติดีไปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัสมควรน่านทาได้ เราตัวชาติเริ่มสายกันทั้งแต่ที่ท่านรมเนี่ยท่านเดินไปบนใจสิกขาเพราะเราก็เกิดไม่ไ ม, ไม่ไม่เครือแคลงไม่สงสัยทั้งในพระธรรมทั้งในพระสงฆ์ทั้งในใจสิกขาที่รู้จิตที่มันไม่สงสัยในพระรัตนตรยัยตลอดทั้งใจสิกขานี่จริงมันเป็นจิตที่ส ง, งบกิเลสแล้วส ง, งบโลภะโทสะโมหะได้แล้วเพราะโอกาสที่จะโกรธจะเกลียดจะ ถ้าเราวีว่าจะชิงชังอะไรกันมันก็ไม่เกิดเราตกลงว่าเราก็ถอนตะปูอย่างน้อยก็ขยับเคลื่อนไปได้พอสมควรเรส่งใช้คำมือกันหมดนะข้อความตอนต้นก็ส่งใช้คำว่าลูกกรพริสูจน์ทั้งหลายอกประการหนึ่งพิสุจน์ไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงปรงใจเชื่อเลื่อมใสในศีกขา ดูกรพิสุทั้งหลายจิตของภิกษุที่ไม่สงสัยไม่เครือบแคลงไม่โปรงใจเชื่อนะะไม่เครือบแพลงไม่ปรงปร ง, งใจเชื่อเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิกขานั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเงินเงืองเพื่อความธรรมติดต่อแล้วก็จเจริญขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ก็เหมือนกันข้อความเหมือนกันเพียงแต่ว่าข้อที่หนึ่งเออไม่ใช่ขอ้อข้อที่ห้าเนี่ยแล้วข้อที่ห้าเป็นเรื่องของโทสะภายในจิตเรานนั้นเรื่องโมหะภายในจิตเราทีนี้ถ้าหากว่าที่สุไม่โกรธเนบางคนเราเริ่มที่ไม่โกรธถ้าเริ่มก็ดีหมดแล้วมาลองลองลอ ง, ลองนึกภาพดูนะภาพดูว่ัดมสติว่า ร, รักลูกหลานเนี่ยหลานเล็กๆ เ, เรารักเนี่ยคือสารพัดที่เป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นมาจากความรักในตัวลูกหลานนับข้อกันไม่ไหวหรอกมันเยอะมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันเปลี่ยนแปลงไปได้แหละแล้วก็ชีวิตก็จะอยู่ด้วยด้วยธรรมะด้วยเมตตาด้วยกุรุณาด้วยมุติตาร์าจิตมันก็อยู่ด้วยเมตตากรุณามุติจาร์จะอยู่ไปได้แท้ ๆ, ๆ เพานั้นที่จริงธรรมะเลยก็กลายเป็นวิถีชีวิตระดับศิลธรรมระดับสังคมแล้วก็มีอยู่อย่างน้อยก็ไม่ถึงกับเบียดเบียนมาทุจรายกันจากนั้นมาถึงข้อข้อที่ห้าเนี่ยเราสั่งว่าภิกษุเป็นผู้ไม่โกรธเคืองไม่เป็นผู้ไม่พอใจไม่ใช่เป็นผู้ไม่พอใจ มีจิตอันโทสะไม่กระทบกระทั่งหมายใช่ผู้มีใจดุดตะปูไม่ในเพื่อนภรมจาจันทร์ทั้งหลายทีนี้พิกูุอย่างนี้แต่พิสูที่มีจิตยอย่างนี้ต่อไปท่านก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเพียรพยายามหมายความว่าเจริญกุศล เพราะว่าอะไรเพราะว่าการซึ่ ง, งบระ ง, งับของพวกนี้ลงไปได้ในจิตมันจะไม่สายจิตมันจะไม่ชะงักและจะไม่สายเพราะว่าจิตที่สงสัยนี่ยมันจิตที่จะงักอะไรก็ตามยกตัวอย่างง่ายๆจะเราเขียนหนังสือเมื่อเกิดเมื่อเกิดว่าเมื่อสะกดยังไงเกิดชะงักละพอชะงักมากเราจะสูญเสียความมั่นใจเราต้องลุกขึ้นไป เ, เปิดพฒนานุกรมอะ เกิดไม่มั่นใจทั้งๆในเรื่องเหมืองเรื่องเนี่ยเราก็เขียนได้จ้ะเดี๋วติ้งจุดหนึ่งมันเกิดเช่นไงเราแสดงว่าสงสัยแล้วพอสงสัยไม่กล้าตัดสินใจแล้วเกิดความเชื่อมั่นก็ต้องเปิดดูในพุทธนานุกรมนี่ไอ้กิเลสพิโตสันมันกิเลสที่สายที่พล่านเป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธความโกรธเกิดจากความโกรธ หรือความโกรธเกิดจากความรักแต่ความโกรธเกิดจากความรักความโกรเกิดจากความรักไปขึ้นมาได้เรื่อยๆนะซึ่งวันี้ลองสังเกตว่าบางทีเนี่ยความโกรธมันเกิดจากความโกรดเช่นเราโกรธนายกอนายขอที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยมันไปคบกับนายกอเราเลยโกรธนายขอด้วยแล้วต่อมาญาติเราเนี่ย ก็ยังเข้าผ่านสมาคมกันนายขอเราซึกเราโกรธไปแล้วในขอเมื่อก่อนเป็นเพื่อนแต่ตอนนี้เราโกรธละพอทําให้เราโกรธญาติพี่น้องของเราด้วยแล้วก็ลามปามไปเรื่อยๆเลยมันก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกับศึกสงครามทั้งหลายที่มันดึงคนไว้ส่วนหัวมันมีไม่กี่คนแต่ส่วนหัวเรื่องดาเมื่อกี้มันก็มีคนสองคน แล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่โตนะส่วนหัวของอะไรล่ะขุนช้างคุนแผนมันก็เอผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่เรื่องพระภัยมันก็เรื่องอะไรล่ะผู้หญิงผู้หญิงสองเหมือนกันผู้ชายหนึ่งเหมือนกันขุนแผนแนละขุนขุนแผนขุนช้างเนี่ยผู้ชายสองผู้หญิงหแล้วก็ดึงเอาคนมาเป็นพวกเป็นมิตรเป็นควายกัน แล้วก็ถ้าระดับกษัตริย์เนี่ยเราจะเห็นว่าจะรุราดข้าวฟันกันเนี่ยคนตายกันเนี่ยแลตายเพื่อเพื่อกษัตริย์ของตัวเองมันถามเพื่อชาติพนเมืองก็มไม่เกี่ยวกับชาติพลเมืองแต่คนจักเบอและชักจุ่งนะเพราะตรงนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเเรื่องส่วนตัวของทสังเกตเรื่องส่วนตัวของพระยาระรามเราไม่จะต้องรบอะไร เลยก็ไปคุยกันสิปนีปนองกับเจก็ปเป็นผู้ใหญ่ได้แก่แล้วใช้วิธีวิธีรุนแรงนั้นคือโทษสะที่มัเกิดจากโทษสะมันเกิดจากราม เ, เกิดจากความรักนะหมายความว่าผู้บริวารของพระรามเนี่ยที่เกิดโทษสะต่อทศกันก็เพราะมารังแก่คนที่ตัวเองรักก็คือเจ้านายคือพระรามตลอดทั้งนางสีดาพวกยักษ์ทั้งหลายเนี่ยมัก็โกรธพระราม เพราะว่าถุทศกัณ์บิดเบือนพระรามยกมายกุกยกมารุ ก, กวงรงกา ต, ต้องการมาแย่ง น, นสินดาซึ่งท่านไปพบอยู่ในป่าแตวคนก็เชื่อนะคือพบคนอยู่ในป่าไม่เชื่ออันนี้คือคือคือเรื่องแปลกคือคือถ้าเรามองว่าลักษณะทางอารมณ์ของมนุษย์นเนี่ยมันแปลกเมืก่อนไป ไปบรรยายในทิศนึ่งแล้วก็ตั้งคำถามถามโยมแั้โดนทั้งเรื่องเธอเกิดเป็นคดีในหน้ามาือพิมพ์อยู่ประมาณสองปีนะคือเรามำที่ผู้หญิงก็โจทยดว่ดาพระนิ น, นอนอยู่บนบนเงื้องเขาที่ยอดเขายอดเขาสูงนะ แล้วเขาเองเนี่ยก็นอนอยู่ใต้เงื่อมเขาข้างล่างหรือเงื่อนเขามันก็มีอยู่หลายหลายแนนนะแล้วพระองค์นั้นตกมาจากยอดเขาตกมาจากยอดเขาแล้วลงมาทับบนตัวเขาเลยแล้วเสร็จแล้วก็สมสู่กันแล้วพระก็ขึ้นกลับไปบนยอดเขาไม่น่าเชื่อคนเชื่อด้วยคนเชื่อได้ ลองถามโยมก่อนถามโยมเชื่อไหมไม่เชื่อถามตอนไม่เชื่อเขาอธิบายได้นะชาวบ้านเขอธิบายได้อั mm hmm. นี้คือคือลักษณะอย่างหนึงง่งเขาของอารมณ์เพราะอะไรเพราะมันเป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธเลยก็ไม่ได้คิดอะไรอีแล้วมันต้องการจะให้สะใจตัวเองก็คือทำลายคนที่ตัวเองโกรธได้ทีนี้พอพอท่านเริ่มนะ เลยเห็นว่าพอท่านเริ่มเริ่มมันตรงเนี้เมื่อเมื่อเราไม่มีคนที่เราโกรธเนี่ยเขาเรียกเรีย ก, ย ก, ยกบุคลากรสปายัคือบุคคลที่เราเกี่ยวข้องแวดล้อมกันอยู่เนี่ยไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้ขัดใจเราทีนี้ในส่วนพริษัตรายในส่วนสยายพิจารเราก็ไม่สงสัยในส่วนก็คนเราก็ไม่โกรธ มันสงบวิเลศถ้าเราดูในนิวรเนี่ยเราจะเห็นว่าพยาบาทสงบวิจิการาสงบทีนี้เมื่อสงบเนี่ยเราจะเห็นว่าอุทจักเองซึ่งเป็นโมหะด้วยกันก็สงบทีนี้พอพยาบาทสงบในกามฉันก็สงบเพราะว่าความรักกับความชังเนี่ยมันมันโยกกันไปโยกันมาอยู่อย่านี้ความรักเกิดจากความรักความรักเกิดจากความรักความรักเกิดจากความโกรธความโกรธเกิดจากความโกรธความโกรธเกิดจากความรักมันมันก็โยกกันไปโยกกันมา แม้ควาเมื่ อ, อยังหนึ่งหย่อนลงอย่งหนึ่งก็ต้องหย่อนตามโดยเห็นว่าคนที่เราโกรธมากก็แสดงว่าเคยรักมากแล้วคนที่รักมากถ้าทําให้ผิดหวังนี่จะโกรธมากทีนี้คนที่เคยโกรธกันมาถ้าทําดีจนถึงจุดหนึ่งที่เราเปลี่ยนเป็นความรักนี่จะรักกันมากอย่าพูดนักมวยเนี่ย เขาต่อยกันอาไปจน ต, ตายนบนเวทีแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเลิกเป็นนักมวยปรากฏว่าคนสองคนนี้คือเพื่อนตายกันรักกันเคยต่อยกันมาไม่รู้สักกี่ครั้งนั่นคือคื อ, ค, อคือสภาพทองจิตใจแล้วเห็นว่าจุดเปลี่ยนก็คืออยู่ที่อะไรล่ะเป็นผู้ไม่กดเครื่องไม่ใช่เป็นผู้ไม่พอใจ แล้วก็มีจิตที่โทสะไม่กระทบกระแท่งกระทบมันก็ไม่กระเทือนนะฮะคือคืออาจจะกระทบพอเราไปห้ามอารมณ์โลกไม่ได้หรอกเราห้ามทิจใจเราปัญหาตัวนี้วันก่อนเนี่ยดูอะไรพวกอาจารย์ที่สอนเพศศึกษาแก้ที่ายเป็นตุปเป็นตะแค่มองมุมเดียวเป็นสภาพจิตใจนะ แกก็มองไปมุมเดียวยังไม่นึกถึงธรรมชาติมนุษย์ว่ามนุษย์นี่อย่าทำให้เขาสงสัยแต่เขาสงสัยก็อยากรู้ก็อยากฟังก็อยากดูก็อยากดมก็อยากกินก็อยากไปนั่นคือมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมีลักษณะอย่างนั้นอย่าทำให้เขาสงสัยไอ้หมาที่เห่าเนี่ยสบ้านมันสงสัย แต่มันชัดเจนอะไรเป็นอะไรเนี่ยก็ไม่กัดหรือกัดยังแล้วแต่หรือสงแ ต, แต่ที่เห่าเนี่ยคือสงสัยคือการสอนแพทย์ศึกษาเนี่ยมันไปกระตุ้นความต้องการโดยธรรมชาติของสัตว์โลกขึ้นมาในวัยที่ไม่สมควรมันก็เกิดจากเรียนรู้ เพราะเรื่องเราตอนนี้ถ้าเราตั้งใจศึกษาทำความเข้าใจให้ดีโดยเห็นว่านั่นคือความผิดพลาดอยงแรงในวงการของการศึกษาแล้วก็นำไปสู่ปัญหาการคิด่าอาจารย์ค่มขืนกระทาทําเรานะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยสมควรแล้วก็ลงมาถึงระดับเจ็ดแปดขวบไปแล้ว แล้วพวกกระทรวงศาธารณสุข ก, ก็ยังเพลินก็อยู่นะฮะมาเอ็นเน็ตเอ็นเน็ตอะไรก็ว่ากันไปเพราะมนุษย์เนี่ยมันต้องรู้จักมนุษย์แล้วอย่าไม่ไม่ต้องไปคิดเรียนอคิดอย่าไปวิเคราะหน์ที่ค น, นดูที่จิตเราตรงนี้ให้ลองดูมือบรรลุที่จิตเราจิตเราสงสัยไหมล่ะจิตเราเครือดแปรไหมจิตเราโกรธไหมนะถ้าจิตไม่โกรธเมื่อไม่โกรธ ้าทำอะไรไม่ดีมาเราก็รู้สึกเฉยๆคือคืออาจจะไม่พอใจหรอกแต่ว่าไม่ถึงกับไม่พอใจพอไม่โกรธไม่พอใจเกิดพอใจหรือเฉยๆมันกระทบก็ไม่ไม่กระเทือนเหมือนตะปูที่ถอดถอดการดึงออกไปจิตใจก็เป็นอิสระแล้วก็ทำให้ มันสงบอะเพราะว่าอย่าลืมว่าอารมณ์กรรมฐานที่เราเรียกว่าสมถะเนี่ยสมถะจะแปลว่าสงบถามว่าสงบจากอะไรก็สงบจากนิวรณ์นิวรณ์คืออะไรนิวรณ์นั่นคือโลภโกรหลงระดับที่เกิดขึ้นกลุ้มรวมใจหมายความว่าโลภโกรหลงระดับกลาง ระดับเข้มข้นสูงมากก็ล้นออกมากข้างนอกเป็นทุจริตทางกายทางวาาิชาอันนี้มันเป็นทุจริษที่ใจทีนี้ที่ทรงแสดงนะ่ะไม่ทรงเรียกว่านิวรทร่งเรียกว่ามาลีได้จริงก็อความเครื่องแพรงความสงสัยก็คือวิจิตรศาสตร์เนี่ยเห็นแต่ไม่ทรงเรียกว่านิวรแล้อย่าลืมมาโดยสภาวะเขาเนี่ยยุววรเนี่ยเป็นชื่อตั้งเอา เราจะพบนะจะพบว้เชนเชินไหนว่าไม่กระสูตเนี่ยพูดถึงภากลองด่านก็หมายถึงพวกนิวร์ทีนี้เมื่ อ, อใจท่านลดความเรืร้อรังสุดสลงไปแดง ว, วิจิการก็ลด เ, เรามองจากนิวร์เนี่ยวิจิกิรสามก็ลดแล้วกว็ความพุ่งสร้างก็ลดนะฮะ เมื่อเราคุ้งซ่านลดลงเนี่ยการหงุดหงิดเนี่ยมันจะลดลงซึ่งก็หมายความว่างไงหมายความว่าโทสะมันก็ลดไปปัาจจัยมันก็พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ความเพียรพยายามที่ความเพียรพยายามเนี่ยมันเป็นเป็นธรรมะหละักในที่นี้สมไอลองสังเกตเราสงใช้คำว่าอาตาปีเป็นความเพียรระดับ ก็เข้าถึงจิตใจหมายความว่าเป็นความเพียรในการฝึกจิตตัวเองแล้วก็มีพลานุภาพในการแผดเผากิเลสให้เกิดความเร่าร้อนสงบระงับลงไปโดยลําดับที่เมื่อโมหะมันลดเนี่ยปัญญามันเกิดปัญญามัน เ, เกิดก็เกิดการมองถึงว่าเอ้ยกิเลสเนี่ยมันมาจากไหนล่ะ ตัวหนึ่งก็คือาธาตุที่มันอยู่ข้างในคือถ้าเราไม่มีาธาตุอยู่ข้างในเนี่ยแม้จะมีเชื้อมาจากข้างนอกมันไม่เกิดกินเลยหรอกคราวนี้ลองดูตัวอย่างง่ายๆนะเช่นสมมติว่าใครมาด่าเราด้วยภาษาอุรดูเนี่ยเราไม่โกรธแล้วมาชมด้วยภาษาอุรดูเราก็ไม่ยินดีหมายความไงหมายความว่าเราไม่รู้เนี่ยกิเลสมันก็ไม่เกิดได้ ถ้าไม่รู้สิ่งนั้นคืออะไรแต่ว่าการที่เราเกิดราคะก็ดีเลาพัฒก็ดีโทสะก็ดีโมหก็ ด, กดีเรารู้ไม่ตลอดรู้สิ่งนั้นดีเราก็อยากได้สิ่งนั้นไม่ดีเราก็ไม่ชอบแต่ถ้าเราไม่ชัดเจนอะไรเลยเนี่ยมันไม่เกิดหรอกแล้วก็แนวเนี้ยแนวไก่แจก ไอ้แจก๊กพลอยเนี่ยก็เป็นตัวอย่างว่ากายแจ้มันไม่รู้คุณค่าของพลอยที่มันไม่อยากเนี่ยเพราะมันไม่รู้ซึ่งก็กลายไปเรื่องแปลก เ, ปเรื่องแปลกคือตั้งข้อสังเกตในพระวินัยนะในพระวินัยเนี่ยบุคคลพิเศษที่ยกเว้นไม่ปรับอบาิท่านคืออย่างหนึ่งท่านไม่มีโอกาสทำท่านไม่ทํา อย่างหนึ่งคือท่านเ อ, อไม่รู้เรื่องเลยเลยนั่นก็คือพระบ้าเนี่ยเขายกเว้นด้วยอามุธหัวินยัยการกระทําอันใดก็ตามก็ตามที่ท่านทําในขณะที่ท่านเป็นบ้าเนี่ยวินัยยกเว้นหมดเลยไปลงโทษท่านไม่ได้ไปปรับท่านไม่ได้ซึ่งเราเห็นว่ากฎหมายเองก็มองในลักษณะอย่างนี้นั่นก็เพราะท่านไม่รู้เลย คือขาดสติเดี๋ยวสติวิปลาสคนบ้านเนสติวิปลาสแต่ที่คนอีกประเภทหนึ่งเสติสมบูรณ์คือท่านไม่ไม่มีแม้แต่ความคิดจะทําชั่วพระวินัยก็สมมุติลงมติด้วยสติวินยัยือถือว่าพระหันไปผู้มีสติสมบูรณ์ใครจะไปโจดทวงพระหันไม่รับเลยมันมันอย่างนึ ก, กว่ามันคล้ายๆกับเส้นเนี่ยนะ แค่กรลากเส็นวงกลมเนี่ยในจุดเริ่มต้นกับจุดปลายเนี่ยมันไม่ชนกันแต่มันใกล้กันเป็นสุดขั้วด้วยกันคนละคนละทากันเลยทุกเพอเราดึงยาวเนี่เราเห็นว่าอยู่ไกลกันมากเลยอยู่คนละปลายสุดของเชือกเดแต่ถ้าเราเมว่อวงกลมมันก็อยู่ใกล้กันแต่ก็ไม่ชนกัน นั่นก็กลายเป็นเป็นอะไรล่ะคือทวิภาวะเป็นความจริงสองด้านหมายความว่ามืดสุดๆเนี่ยก็ไม่รู้อะไรเลยสว่างหมดก็ไม่ไปเหยียบอะไรที่เป็นหลุมเป็นบ่อเลยก็เห็นภาพขึ้นสองภาพว่าภาพหนึ่งคือภาพสว่างกับภาพมืดจิตใจมนุษย์มันมืด ด, มมมด้วยวิชาสว่างสมบูรณ์เต็มเปี่ยมในโดยวิชา แล้ววคนเราก็อยู่คือขึ้นกันกลางไงคือส่วนมากก็ค่อนไปทางค่อนข้างกะมุขมัวคือไม่ถึงสว่างเต็มที่แต่ไม่ถึงก็มืดเต็มที่เพราะนคนที่จิตเขาเดินมาจนถึงจุดนี้ท่านจะใช้ความเพียรพยายามในการป้องกันบาป เืออารมณ์นี่มันมันกระตุน้นราคากราคกระตุน้นโทสะกระตุ้นโมหัได้อยู่มันไม่ได้แปลกอะไรหรอกมันก็ตุ้นไปเลยแต่ปัญหาว่าเราจะไปยินดีมันราคาก็ไม่เกิดโลภาก็ไม่เกิดเราอย่าไปโกรธมันโทสะก็ไม่เกิ ด, า ก, ด, า ก, ก, ดการผูกโกรก็ไม่เกิดความประทุษร้ายก็ไม่เกิดพยาบาทก็ไม่เกิดใช่มีการด่ามีการชมมีรูปสวยมีรูปไม่สวยมีเสียงไพเราะมีเสียงไม่ไพเราะ มีกลินหอมีกลินเน้นมืนก็เป็นเรื่องเขง้ามาแตเราไม่ไปเกี่ยวเกาะเพราะว่าภายในใจของท่านไม่มีเชื้อของกิเลสที่จะเกี่ยวเกาะแต่เราก็เดินตามนะฮะเดิดตามเราก็มีกิเลสอยู่แต่ว่าทํายังไงอย่าให้ถึงแรงเกินไปที น, นี้เมื่อก่อนมีการวิเคราะห์ตรวจสอบภายในจิตก็เห็นว่าเมื่อกิเลสมันแรงเนี่ย ก็พยายามบรรเทาลดราคะลดโลภะลดโทสะอย่าจุดนึกแต่มันเพิ่มกิเลสมากเกินไปคือเนี่ยอย่างอย่างอย่างที่บุคคลทั้งหลายที่ปวดเนี่ยคือเรามองเขาด้วยด้วยขำด้วยสงสารด้วยสลดและด้วยเสียดายถามว่าเคยโกรธไหมก็ไม่รู้จะโกรธเพราทําอะไรอ่ะนะแต่เราเสียดายคนเน่ย ลรวสลดใจในการกระทาเอาพฤติกรรมในอดีตเข้ามาดูก็ามาดูปัจจุบันรเราเสียดายแล้วเราสลดในขณะเดีดยกันเราก็สงสารเขาแต่ว่ามอยิีมก็น่าขำเออคนมันเป็นไปได้อย่างนี้เถเลยแต่ถามประควรกฎหมายควรให้อภัยด้วยประการทั้งปวงแต่ควรมีความรู้สึกอย่างนี้น ใช้เป็นบทเรียนเคยชี้แนะบอกกล่าวสั่งสอนได้แต่เราไม่ควรจะ ก, กระโดดโครนลงไปเปื้อนเช่เดียวกับเขาท่้นฟังท้งหลายเสียงธรรมจากมาหาทยายศรีปฐุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, ง้องามไพบูรณ์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยท่วกันสวัสดี